ศาสนาแผ่นที่81ลำดับที่3โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่1เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าธรรมชาติแห่งความตาย วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2 5งัวันนี้เป็นขึ้นเมษาแล้วนะพี่น้องชะตาญาติโยมลูกหลานปีห8เมษามีวันเดียวเท่านี้แหละต่อไปก็ไหลไปเรื่อยๆออปีหน้ากับปีห9เม <c oughs> ื่อวาน ประมาณสักบ่ายสี่โมงรู้สึกว่าพายุมาอีกรอบสองนะคณะสัทธาญาติโยมโลกูกลานเมื่อว่าวันก่อนวันก่อนมาฝนตกแรงมากแล้วก็เป็นชั่วโมงแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าแรงวันก่อนแต่เมื่อวานฟ้าไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็มีลูกเห็บ แต่ลมแรงเมื่อวานลมมากระโชคมาอย่างแรงเลยสองครั้งออแล้วก็ไม้ในวัดของเรายังไม่ได้เห็นว่าพระรายงานมาความเสียหายแต่ว่ากุฏิของหลวงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อลงมาอยู่ที่ศาลาเพราะว่าลมแรงหลวงพ่อจะไม่อยู่กุฏิเพราะมันมีไม้ในรอบๆก็มีอยู่แต่ก็ไม่ถึงอันตรายหรอก แล้วก็ไม่หลบอยู่ที่ศาลาปลอดภัยกว่าเมื่อวานันหนะลวงพ่อก็เลยลงมาจากที่ชั้นน้ําก็เลยลงมาที่ศาลาพรมเป็นช่วงที่หลวงพ่อลงมาข้างล่างอยู่แล้วลงมาที่ประมาณสักสี่โมงสี่โมงกว่าโอ้โอลมแรงกับโชคแต่หลวงพ่อยืนอยู่ที่ศาลานี่ก็ะโต ซาลาพืชมันเปียกไปหมดและใบไม้เต็มไปหมดแต่ที่กลับขึ้นไปกุฏิมีไม้ต้นหนึ่งห่างจากที่มันโค่นลงมาประมาณจะเกือบยี่สเมตรปะนะมันลมหมุนลมหมุนหมุนอบแปลว่าทั้งต้นเลยไม่ใช่ทั้งต้นะมันกิ่งสองกิ่งต้นไม้กิ่งใหญ่สองกิ่งมันขึ้นเป็นงาบ ง่ากินง่าอ่างภาคมันเอาทั้งสองง่าเลยนะหมุนมาใส่กุฏิของหลวงพ่อกุฏิเล็กนะไม่ใช่กุฏิหลังพักกุฏิหลังนี้คือสมัยเมื่อมาสร้างวัดสร้างวัดได้สร้างศาลาหลังนี้แหะได้สร้างวัดหลวงพ่อจะขึ้นไปทําร้านเล็กๆอยู่ทางที่เนินทางหลังศาลาหลังนี้นะห่างไปประมาณทักเกือบ 200เมตรมังจากนี่ไปนะหลวงพ่อก็สร้างมีหลังคาแล้วก็มีเพื้นแต่ไม่มีฝากว้าง2เมตรยาว3เมตรแล้วก็มีหลังคาสังกะสีตะก่อนมันมียุงมากหลวงพ่อก็มีมุง้งมุ้งไปกลางเอาไว้ กลางวันก็ไปนั่งภาวนาบ้างไปนั่งท่องหนังสือบ้างบางทีเดินอย่างโรมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปถ้าอยู่ถ้าอยู่ข้างนอกมันยุงมันกัดเราก็เข้าไปในมุง้งในร่อนห่างๆไปภาวนาอยู่นั่นตอนเย็นๆเก็บมุง้งเก็บเสือแล้วก็มัดไว้แล้วก็กลับลงมาปัดกวาดในสมัยนะั้นไม่มีคนก็ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อเขาอยู่แบบ เรียบง่ายแบบพระป่าเหมือนกับอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเพราะถนนมันก็ยังไม่มีสมัยใหม่ๆหลวงพ่อเนี่ยอยู่อย่างนั้น่ะสังกสีเสาตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ฝังดินเอาแผ่นซีเมนลองพื้นนี่เทำเป็นที่กันมดแล้วก็ตั้งตั้งใสปูนซีเมน เสาก่าห้าหน้าห้าคูณห้าสูงประมาณหนึ่งเมตรจากพื้นดินขึ้นไปแล้วก็มีพื้นแต่เมื่อวานกิ่งไม้มันหอบมาอย่างแรงนะมากระแทกใ่หลังคาลานของหลวงพอ่อกระโดดเลยเพราะมันไม่ได้ฝังดินใช่ไหมกระโดดไปประมาณจะมากเหมือนกันนะคืบกว่าเหมือนกันนะย้ายออกจากย้ายออกจากฐาน หลังคาเนี่ยหักหมดแต่ว่าต่อมาหลวงพ่อกเอากระเบื้องมามุงกระเบื้องมาแล้วก็ทำฝาขึ้นมาแล้วก็ทํามุ้งลวดผมมาช่ว ง, งหลังๆทำวุมุ้งลวดไม่มีหน้าต่างร้านไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูเข้าไปแล้วก็มีมุ้งลวดสําหรับกันยุงกันหนูกลางคืนไม่ให้มันกัดสิ่งของนี่แหะเมื่อวานลมมา กระแทกเสร็จหลังนี่แหละที่หลวงพ่อพักกลางวันแต่วันนี้ก็ให้จะให้พระเป็นรื้อคงไม่เอาไว้แร้วเพราะว่ามันเสียหายมากละ่ะหลังคามันพังแต่ข้าว่าต่อไปภายภาคหน้าก็ยังบอกกับพระบาทว่าต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมีสองเสาขึ้นมาแล้วกัมีโครงเหล็กทําลักษณะศาลาลายลักษณะอย่างงั้นหลังเล็กๆสําหรับหลวงพ่อไปเดินยองกลม พอ ม, มันเป็นมีทางจงกลมหลวงพ่อเดินจงกลมอยู่นันเวลาฝนตกมัจะได้หลบหลบฝนแต่นั้นละพอไม่ต้องทําพื้นไม่ต้องทําอะไรหรอกลักษณะทำเหมือนสลาอยู่ข้างข้างทางหลวงสะพานทางเอ๋ ส, สลาข้างทางหลวงลักษณะอย่างนั้นอ่ะเป็นที่พักนั่งแต่นั้นพ่อต่อไปปลายภาคหน้า แต่เดี๋ยวนี้เอาไว้ก่อนหรือซะก่อนหรือซะเพราะมันหลังคามันผุพังมันแตกกระจุยกระจายหมดแล้วแต่ค่าเสียหายสมัยนะั้นหลวงพ่อว่าจ้างเขาค่าค่าแรงเนี่ยสามพันนะศรนะัทธาญาติโยมเพราะว่าวัดสดุก็เป็นของในวัดของเรากระโดยมากนั่นแหละกุฏิของพ่อสร้างให้พระ ในวัดของเราเนะี่ยรุ่นนี้แหละเป็นส่วนมากให้พระอยู่ปลอดภยัยหนูลงหลังคาไม่ได้ยุงเข้าไม่ได้แต่มีประตูเข้าทางเดียวมดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามีน้ำมันหล่อหล่อเลี้ยงโคนเสาเอาไว้กว้างโดยมากสองเมตรหสิบยาว ไปทางหัวเนะ่ยสามเม็ดนะเวลามันเสียหายมาเราก็ไม่ได้เสียดายมากเพราะว่ามันมันหลังเล็ดมันธรรมดาแนละ้อยู่ในป่าจะไม่ให้มันเสียหายไม่ให้ไม้มันโค่นก็ไม่ได้ถ้าเราไปอยู่กลางทุ่งเน่ยคงจะไม่มีปีไม้เลยมีตะลมเลยจะ ก, กระโชคนะแต่อยู่ในป่าก็ธรรมดาแนละ้วเราอยู่ในป่าก็ต้องมีต้นไม้ มันก็ต้องธรรมชาติของมันทํายังไงได้ <c oughs> แต่เราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขซะจบจบไปแล้วก็ขอบอกกล่าวพระลูกหลานทั้งหลายพระเนนอย่างเมื่อวานเราเห็นนถ้าหากว่าใครอยู่กุฏิหลังไหนถ้าว่าเวลาฝนตกลมแรงพยายามหลบลีก อย่าไปอยู่ที่กุฏิที่ไม้มันจะโค่นทับต้องหลบถ้าพปอยู่ในละแวกนี้ก็ให้มาอยู่ที่ใต้ถุนศาลาใต้ถุนศาลาเนี่เป็นที่ปลอดภัยที่สุดในเรื่องลมเรื่องฝนอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าอยู่ในครวัวอยู่ในครัวก็เหมือนกันอย่าไปหมกอยู่กุฏิตัวเองเวลาลมแรงๆไม่ให้อยู่มาอยู่โรงครัวเพราะโรงครัวที่ทําอาหารมันไ ม, ม่มีต้นไม้ถึงจะโค่นยังไง มันก็ไม่ถึงเรามาอยู่จุดนั้นจุดนั้นเป็นที่ปลอดภัยแต่ที่อื่นมันก็มีต้นไม้ประสานกันไปประสานกันถ้าลมแรงกันหน้ากลัวมันกันนะเพราะฉะนั้นทางในครัวก็ให้บอกบอกกันเวลามีพายุฝนเข้ามาก็ให้มันหลบหลบอยูที่นั่นทางฝ่ายพระก็เหมือนกันถ้ามีลมแรงกระโชกอย่างเมื่อวานให้หลบหลบมาอยู่ศาลาปลอดภัยกว่าที่ โรงฉันน้ำร้อนก็ไม่ปลอดภัยนะลูกหลานนะมันมีต้นกระบอกอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีต้นสะพุงใหญ่อยู่ตรงนั้นถ้ามันลงมาจังๆก็ก็น่ากลัวเหมือนกันพันทัที่ปลอดภัยอันนี้คือที่ปลอดภัยที่มองเห็นภัยธรรมชาตินะแต่ว่าที่เป็นพิษภัยอย่างร้อยแรงของเราก็คือมรณะภัยถึงพวกเราจะไปอยู่ ดาวพระอังคารโลกพระจันทร์นอกโลกก็ไม่หนีไม่ผลเรื่องมรณะภัยมรณะภัยนี่เป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมองเห็นไม่มีทางอื่นจะทํำยังไงจึงจะไม่ตายพระพุทธเจ้าเนะี่ยคิดเหนือกว่าคนทั้งหลายนะคิดทํำยังไงมันจึงจะไม่ตาย เนี่ยปัญหาคีอว่าคาถามคำนี่แหละพาะตายเนี่ยใครๆก็ไม่พึงปรารถนาเพราะความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเฮ้ยตายก็ตายก็ะพูดได้แต่พอจะเอาเข้าจริงๆพอจะถึงวันตายจริงๆมันขาอ่อนเหมือนกันนะไม่ว่าใครต่อใครเพราะนั้นความตายของนี่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่จะทำยังไงได้อย่างที่หลวงพ่อพูด ภัยที่หลบได้หาที่หลบหลบได้แต่ภัยมรณะภัยมันหาที่หลบไม่ได้หาที่ซ่อนไม่ได้ต้องเผชิญและเจอกันทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยแต่จะทำยังไงนี่แหละมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ท่านเป็นบรมครูเฉยย่อผูที่พวกเราเรายอมรับยอมกราบยอมไหว้ เคารพสักรเพราะท่านเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาหาแนวทางว่าจะทำยังไงจึงจะไม่ตายจากนั้นพระองค์จึงอพอมีคำถามอย่างนี้ขึ้นมาท่านนะอายุของท่านกับ9ปีถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นกำลังที่ยังหนุ่มแน่นถ้าเป็นทางโลกคล้ายๆว่ายังติดหนึบในเรื่องราบเรื่องยศลูกเสียงกินรสสัมผัส ทุกอย่างเพราะท่านยังมีกิเลสอยู่นะาราคะโทสะโมหะบริบูรณ์แล้วก็เครื่องสนองอำนวยความสะดวกของท่านก็บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูบบรณ์ที่อำนวยความสะดวกสาหรับท่านแต่ถึงยังไงท่านก็ยังคิดว่ามรณะภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงจะทำยังไงจึงจะ เห็กลีหนีออกจากมรณะภัยไปได้เพราะว่าปู่ย่าตายายพระอายกกาพระเอออายกยีอจกาปู่ย่าตายายอของพระองค์ท่านก็ไปหมดแล้วล้มหายตายจากไปตามอายุสังขารแต่ก็ต้องล่นลงมาเรื่อยๆล่นลงมาต่อมาก็าผมเป็นพระบิดาพระมารดาําไปแล้ว ต่อมากันล่นลงมาหาต่อมากันล่นลงไปหาลูกอีกมันเป็นธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายแต่จะทำยังไงจึงจะใครๆก็กลัวทั้งหมดเรื่องความตายไม่ใช่ว่าใครไม่กลัวกลัวทุกคนกลัวแต่นี้ไม่พ้นจะทำยังไงจึงจะไม่ตายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตั้งคาถามอยู่นี้ถ้าเราอยุดในเวียงวงังคงจะหาคำตอบไม่ได้คงหาทางออกไม่ได้ เพราะภาระธุระมันมากเหลือเกินจะต้องทำภาระในทางโลกเนี่ยบริหารจัดการเรื่องอะไรตัวไม่อะไรถ้าเราออกไปคิดไปหาค้นคิดตามลำพังคงจะมีช่องทางนี่แหละจุดนี้แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเวียงวังฮะจากนั้นพระองค์ก็หนีออกจากเวียงวังไปอยู่ตามลำพังไปอยู่หนีไป กับนายชนะเที่ยงขืนไม่บอกใครอีกต่างหาเอ่อใครๆว่าไม่มีเล่ห์มีนายแล้วกันออกไปออกมาจากใจจริงจริงๆจะจะหนีเออจากนั้นพระองค์ก็หนีออกจากเวียงวังถ้าหากว่ามีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมเอ่อใครๆว่าอยากจะอวดแข่กวดคนอยู่คงอยู่เอ้ยข้าพเจ้าเนี่คงไม่อยู่ละ อ, อในเมืองข้าพเจ้าจะออกไปหาบวชเป็นฤาษีภยัยไพรละ พี่น้องประชาชนเขาคงจะนอนขวางถนนไม่ให้พระองค์ออกไปได้แต่ น, นี้พระองค์ออกไปตามลําพังหนีออกจากเวียงวังด้วยความจริงจังและจริงใจไปกับนายชนะกับม้าขันตกะสามชีวิตน่อจึงไปบวชอยู่ที่แม่ไปถึงฝั่งแม่น้ําอโนมาณทีจึงได้ทรงผนวดพอทรงผนวชแล้วบอกให้นายชนกลับมาอีกกลับม้า พระ อ, องค์อยู่ตามลำพังพวกเรานึกคิดคิดดูซิว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินขนาดนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ถึงขนาดนั้นทําเป็นคนขอทานไปอยู่ตามลําพังพวกเราคิดดูซิจะว่าหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอเอีอาจจะมีฝังฝ้ามือฝังลงไปใแผ่นดินอีกอยู่ในถ้าอีกต่างหาก โดยะในมุมอับของโลกอีสตังหาพูดอย่างนั้นไปอีกมันเกินกว่าที่พวกเราจะต้องคิดจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ไม่ได้จะทกสะทานเพราะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในพระทยของพระ อ, องค์ไม่ได้มุ่งหวังไม่ได้มุ่งมัน่นไม่ได้มุ่งหวังอะไรเรื่องหาความสุขทางโลกนะมีแต่จะขเสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์เท่านั้นนะที่จะว่าจะทำอย่างไงจึงจะไม่มาแก่เจ็บตายนะ ท, ทางเขาทำยังไงจึงจะไม่ตายนะดังนั้นพระพุทธองค์จึงทดลองเออมื่อมีความมีมีโจทย์อย่างนั้นขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายอย่างนั้นอยู่แล้วพระองค์บําเพ็ญเลยลองผิดลองถูกลองถู ก, ล อ, ถกลองผิดลองผิดลองถูกพวกเราคิดดูทั้งหกปีนะแล้วพระองค์อยู่ยังไงหกปีนั้นไม่ทานอาหารเลยใช่ไหมแล้วท่าพระองค์ฉันยังไงสวยยังไง ใครเเอาไปขดไปเอาอาหารไปถวายพระองค์ท่านพระองค์เป็นคนขอทานเหมือนกับพวกพระทั้งหลายนั่นะไปบินทาบาทในชาวบ้านของเขาเขาก็ใส่บาทเพอเอบางวันยังไม่ทานอาหารอีกต่างหากเพอเยังอดพระกรยาหารทั้ง49วันอีกต่างหากนั่นนะการทดลองทดสอบของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วไม่ใช่ธรรมดานะเกินกว่ามนุษย์มนาแนวความคิดของพระองค์ก็เกินกว่าคนทั้งหลาย แล้วก็ความประพฤติของพระ อ, องค์ก็เกินกว่าถ้าไม่เกินกว่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างหดที่ว่านะจากนั้นจนถึงวันเดือนหกเพ็นพระ อ, องค์จึงได้ตัดรูตัสรู้เห็นแนวทางเป็นอนุพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมานี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพอเมื่อได้ตัดสรูนะ้นก็คือชําระกิเลส อยู่ในพระทัยของพระองค์ตัวไหนที่จะมันมาพามาเกิดถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยนหนีไปพ้นเรื่องความตายต้องตายพอตายเสร็จแล้วจะทำยังไงมันจะไม่เกิดอีกเพราะมันเกิดเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายพอมันตายลงไปแล้วก็เกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย ตายแล้วพอเกิดมาแล้วก็ต้องตายจะทำยังไงจึงจะไม่เกิด น, ะนี่แหละพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาในวันเดือนหกเพนที่ได้ตัดสรวพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณไปค้นคว้าดูจะทำยังไงจึงจะไม่เกิดสิ่งที่ให้เกิดมันคืออะไรนะพระองค์ก็มองดูแลวว้วคือกิเลสนะกิเลสนะราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธหลง มันอยู่ในใจแฮ่มันอยู่ในใจของของเรานะมันฝังอยู่ในเน่พอตายไปแล้วเนะี่ยตัวนี้นะ่ะพาไปเกิดอีกหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้กับพวกเราเห็นได้ชัดว่ากิเลสลาคะโทสะโมหนะมันเหมือนกับใจของเราเหมือนกับเมล็ดข้าวหนะลวงพ่อบอกนะพอมีเมล็ดข้าวเสร็จแล้วเนะี่ยพระพุทธองค์ไปกระเทาะเปลือกะไปเอาเปลือกมันออก จากนั้นก็ไปนึ่งอพอไปนึ่งเสร็จแล้วเเอาไปตากแดดนมเมล็ดข้าวเม็ดนัดเอาไปปลูกที่มันจะเกิดไหมมันไม่เกิดเพราะแหละเพราะมันไม่มีเชื้อเชื้อที่จะทาให้เกิดมันไม่มีเพราะเหตุไรเพราะว่ากาจัดเชื้อออกไปหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันพระไทยของพระองค์ใจของพระองค์มันมีเชื้ออยู่ในนื้ พระ อ, องค์จึงให้บำเพ็ญนั่งภาวนาด้วยบำเพ็ญด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดนะั่นแหละสรุปแล้วคือมรรคแปดนะั้เป็นหนทางสกัดกิเลสกิเลสคือเชือนะ้อเชื้อที่จะทำให้เกิดกระเทาะเปลือกนะอแล้วก็มาขัดจากนั้นเป็นหนึ่งอีกต่างหากาหนึ่งด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาจนเมล็ดข้าวเมเมล็ดนั้นสุก อพอสุกเสร็จแล้วนะ่ะจะไปให้นักเกษตรศาสตร์รุ่นไหนปลูกกระปูกเถอะปลูกข้าวสุกไม่มีงอกก็แล้วกันเมื่อมไม่มีเมื่อมันไม่เกิดและจะตายความตายจะตามมาได้ยังไงเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดแต่ความบริสุทธิ์จุดนั้นนี่อนิพานังปรามังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพานังปรามังสุนอย่างนิพานศูญ ศูนย์อะไรคือศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทำให้เกิดศูนย์หมดศูนย์แล้วที่ไม่ไม่ให้เกิดอีกแต่ถ้ามันศูนย์หมดตงจะมีความสุขได้ยังไงเพราะมีความสุขก็เพราะว่ า, ามันไม่มีเชื้อที่จะมารลบกวนกิเลสราคะโทสะโมหะกำจัดออกจากพระทัยของพระองค์แล้ว น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัส แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราให้พวกเราศึกษาวิธีการวิธีการที่จะทำให้กำจัดเชื้อตัว น, นั้นทำอย่างไรนี่แหละมันมีขั้นตอนนะนะทีนี้มันมีมันมีบทเรียนเหมือนกับเราอยากจะกินข้าวเนะี่ยไม่ใช่ว่าปุกปรับมานเอาข้าวมากินทีเดียวไม่ใช่นะวิธีการมันเยอะแยะไปหมดเลยทีะนะี้ตั้งแต่ปรับดินตั้งแต่ เตรียมกล้าตั้งแต่เตรียมข้าวตั้งแต่เตรียมที่ไรที่นาจะตงปลูกขึ้นมาตั้งแต่เตรียมแอกเตรียมไถเตรียมวัวเตรียมควายในสมัยโบราณ น, นะทุกวันนี้ก็เตรียมรถไถรถอะไรมีมากมายจากนั้นก็ไปปลูกรักษาอีกก่อนที่จะได้ข้าวนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะได้มักได้ผลจุดนั้นอ่ะไม่ใช่ปู ป, ปับมาจะได้ไม่ใช่เผลอๆยังภาวนาติดภพติดชาติ บำเพนมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติจริงจะได้สําเร็จมักสําเร็จผลไม่ใช่ในภพนี้ชาตินี้แต่ชาตินี้ก็เถอะเมื่อทําไปแล้วเหมือนกับเราเอาอน้ําจดลงไปในตุ่มในโอ่งเนี่ยมันไม่ไปไหนมันก็อยู่ในนั้นคุณงามความดีเกิดมาพบหน้าชนะเอาหาสิอีกเพิ่มอีกแต่ว่าบางภพ บ, บางชาติเกิดมาแล้วก็ทําความชั่วเสียหาย ชาตินั้นแปลว่าขาดทุนอ่าไม่ได้ตักน้ําใส่ตุ่มอ่ามีแต่เพอๆยังเอาไฟไปจุ่มลงเป็นน้ําให้น้ํามันแห้งอีกต่างหากอ่นี่แหละเกิดภพนั้นชาตินั้นมันเสียเสียชาติเกิดแต่ถ้าหากว่าพวกเราบําเพ็ญบำทีนละน้อยละน้อยอ่บุญบารมีของพวกเราพอกพูนขึ้นเรื่อยๆผลที่สุดก็จะเต็มเมื่อเต็มบริบูรณ์ก็นั่นแหะ ด้วยศีลสมาธิปัญญาตะปะธรรมกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะใจของเราบริสุทธิ์เนี่ยวิธีการที่จะทำบาบัดใจให้บริสุทธิ์นั้นคืออะไรเนี่ยเยบื้องแต่เรื่องศีล น, น่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยถ้าเมื่อกายวาจาของเราไม่มีโทษไม่มีความม่ต ก, กังวลกายของเราไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปกินเหล้า ว่าจาของเราไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปคดไปโกงไปเบียดไปบางใครไม่ได้ใช้วาจาไปเบียดไปบางใครไม่ได้ดูถูกเหกียดตยามใครวาจาของเราบริสุทธิ์กายวาจาบริสุทธิ์ไม่มีโทษจากนั้นนั่งภาวนาเมื่อนั่งภาวนาจิตใจคิดถึงหัวกายไม่ได้ไม่ได้ทำความเสียหายคิดถึงวาจาก็ไม่ได้ทําความเสียหายใจของเราเก็บ เ, เน่งนั่นแหละ มาถูกอยู่ในความสงฆเมื่อมีศีลแล้วก็มีสมาธิดีเนี่ยเมื่อเมื่อไม่มีการวิตกกังวลในเรื่องการกระทําในการพูดละใจก็ไม่ไม่วิตกกังวลนะใจก็มีสมาธิดีดในเมื่อปีจิตใจเป็นสมาธิดีจิตใจไม่ส่งออกไปนอกนะจิตใจก็รวมสงบน ะ, อะพอรวมจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเน่ง เออมันผ่านความสงบแล้วนามาพิจารณาแทมาพิจารณาว่าเอาใจของเราพิจารณาพิจารณามันใจของเรามันหลงอะไรนงเออมันหลงอะไรมันหลงกายนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยนะแนวทางมันหลงกายนะคิดว่าร่างร่างกายเนี่ยเป็นของตัวเองจะอยู่เป็นยาวนานคิดว่าตัวเองจะไม่ตายมีทหาความสุขมีอะไรกัขนมาให้ให้ร่างกาย แต่จะเลี้ยงดีขนาดไหนเลี้ยงเถอะนะเลี้ยงร่างกายเพราะพระไตรจ้าท่านมองน่ะพราะท่านผ่านไปแล้วนะท่านรู้นะแต่พวกเราเป็นผุุ้ชนยยังหลงอยู่พระพุทธเจ้าถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะนะเลี้ยงร่างกายเลยไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้านะอใช่ขึ้นมาก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาไปถึงจุดเหนื่มก็ลงฮอจากนั้นล่ะมีแต่เลี้ยงเท่าไรก็มีแต่แก่เท่าไปเฉลี่ยพุทธิสุขก็ตาย เลียเ้ยงเถอเลี้ยงร่างกายไม่มีไม่มีที่จะยืดยาวไปข้างหน้าตายในเมื่อตายแล้วก็เกิดอกนะีกเนี่ยมันก็มีเพียงแค่นั้นพระพุทธเจา้าบอกมันหลงอะไรมันหลงร่างกายนะมันหลงร่างกายเพื่อมันหลงหลงร่างกายตัวเองหลงร่างกายคนอื่นเออพอใหญ่ขึ้นมาก็หลงหลงร่างกายคนอื่นคืนนั่นะหอะผู้หญิงก็หลงผู้ชายผู้ชายก็หลงผู้หญิงท่านต่อมา ก, กันนี่นะเออ มีสายสัมพันธ์ขึ้นมาเรื่อยๆมีลูกมีหลานมีทรัพย์สมบัติมีเงินยดถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาเนี่ยเออส่วนนั้นก็หลงเพราะมันหลงกายตัวเองซะกอ่อนเพราะหลงกายถึงเลยก็หลงคนอื่นเพราะหลงคนอื่นกันนะเออเครื่องอยู่อาศัยทั้งหลายทั้งมวลคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดพอครองสุดท้ายจบขึ้นมาไม่มีอะไรทิ้ ง, ท, งทิ้งกัระทั่งร่างกายอีกแตเนี่ยร่างตายเัวเองเอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งทั้งหมด ไม่ทิ้งก็ต้องทิ้งเอยตัวเองมันมันหมดสภาพพอที่สุดเขาเอาไปเผาไฟทิ้งคนที่อยู่วางหลังเขากลัวมันเหม็นไปเผาไฟทิ้งตัวเองก็ไปแล้ววิญญาณก็ออกไปละแต่พวกที่เผาไฟทิ้งก็คิดว่ามองมองดูอีกหลงตนเองอีกตอนอนะี้เขาเอาเผาร่างกายตัวเองทิ้งอีกเป็นทอดๆไปเรื่อยๆนี่แหละ สรุปแล้วก็คือมันมันหลงร่างกายในเมื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเนะี่ยพระองค์บอกว่าให้มองดูใจนะใจตัวนี้นะมันไปนหลงร่างกายพอหลงร่างกายก็หลงสิ่งอื่นให้พิจารณาร่างกายเป็นอสุภะปฏิกูลนะมันไปนใส่ของสวยงามนะเป็นธาตุสีนะดินน้ำลมไฟนะอยู่ในร่างกายของเราเลยอีกสักวันหนึ่งนะแต่กระจายนะ ไหลไปสู่น้มดินน้ำลมไฟนะให้มองดูนะใจนะคือให้ย้อนดูตัวผู้รู้คือใจเถอนี่นนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดเนี่ใจของเรามันเป็นหลงอมองดูใจนะมองดูใจนะดูที่ใจนะมีสติปัญญาดูที่ใจอย่างเดียวาการนึกคิดการเคลื่อนไหวการาที่มันนึกยับออกไปมนะันมันจะยับ ย, บยบัยับในใจ เยบเท่าไรก็ทันเวลานั้นดูใจของตนเองนี่แหละใจตัว น, นี้ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันใจเป็นอนิจจังไปใจเป็นทุกขงังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางกระทั่งใจไม่ยึดมั่นกับถือมั่นกระทั้งใจในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นใจแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นธรรมชาติความบริสุทธิ์ จะเกิดขึ้นเหมือนกับเราเอาน้ำกรดน้ำกรดมันผสมอยู่กับทองเหลืองทองแดงอยู่กับแกล้เงินอยู่ในอันเดียวกันอยู่ในก้อนเดียวกันพอเอาน้ำกรดเ ท, ทแช่ลงไปเลยเออทองเหลืองทองแดงเนี่กจุยกระจายไปหมดเพราะน้ำกรดมันกลัดมันกัดนะี่ยังเหลือแต่ทองคําธรรมชาติทองคําธรรมชาติอยู่นั่นโอ้เออ บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเออมันไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้นนี่แหละลักษณะอย่างนั้น่ะคือสิ่งที่เราทิ้งทั้งหมดคือเอาน้ำกรดเทเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะไม่ถึงจุดนั้นพอถึงแลมันด้วยปัญญาของเราปัญญาสัมมาทิฐิเห็นชัดแจ้งชัดจริงจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจ พอป่าวปล่อยวางที่ใจเนี่ยนะความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่อยู่ที่ไหนนะนิพพานไม่ต้องหาที่ไหนไปหาเลยอยู่จุดนั้นแหละอยู่ที่ใจอันบริสุทธิ์เหมือนกับเรานี่ยมืดมนโอนต่างการเหมือนเหมือนกับถ้าอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ ำ, ออถำลึกๆมันกี่ร้อยกี่พันกี่หมืนๆๆ่นกี่แสนชาติกี่หมื่นๆๆปีแต่พวกเราเข้าไปจุดไฟเข้าไปพอแสงสว่างขึ้นมา ถ้ำมันก็สว่างความมืดมันก็หายไปอตะกอนความมืดมันอยู่ที่นั่นแต่พอจุดไฟขึ้นมาพอรู้ขึ้นมาแสงสว่างขึ้นมาความสว่างขึ้นมาในถ้ำก็หายไปความมืดก็หายไปนี่ก็เหมือนกันกิเลสภายในใจของเราติดพบติดชาติไหมกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมันหลงกิเลสราคะโทสะโมหะแต่พอเรามีธรรมเข้ามาในชูจิตใจความบริสุทธิ์เนื ระหว่างนิพพานระว่าความบริสุทธิ์เห็นแจ้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเข้าไปจุดในจุดนั้นใจรู้แจ้งเห็นจริ ง, งกิเลสความหลงที่มันอยู่นมนานมันก็กระจายหนีเหมือนกันมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่ในจุดนั้นเพราะฉนั้นในพวกเรานะาการหาธรรมไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจของเราน่ะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพระพุทธเจ้ า, ยยาท่านออกไปบําเพ็ญอยู่ในป่า ถึงหปีนี่เนี่ยท่านโค้นขวาจุดนี้แล้ท่านหาธรรมทำไม่ได้หาที่ไหนหาอยู่ที่ใจหลงอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจบริสุทธิ์อยู่ที่ใจความไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ที่ใจอีกถล่แล้วก็คือใจตรงนี้แหละที่ตัวรู้อย่างนี้เป็นเจ้ากี้เจ้าการเรื่องราวต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันโลภก็อยู่ที่โกรธอยู่ที่หลงก็อยู่ที่นี่ลาข้าโยธาโมหะอยู่ที่นี่ทั้งหมด เมื่อเราชำระใจตรงนี้บริสุทธิ์แล้วกนนั้นจิตใจที่เป็นนิพพานังนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังสูญอย่างนิพพานสูญสูญเชื่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร